หลวงพอ่อเามาเนี่ยผมว่าขออนุญาตเราลุกขึ้นนะครับผมเมื่อกีกล้องเป็นคนอาน่านกันอ๋อขอา ก, า ก, าการกล่าวมรดการหลวงพ่อนะครับอ่า <sk r isa> ขออภัยดือดที่วันนี้มาสายหน่อยออครับครับ <sk r isa> ผมมีม <c oughs> ีคนมารออยู่สี่ร้อยกว่าคนแล้ว <sk r isa> ครับหลวงพ่อโอเคได้ถามตอบคำถามเลยใช่ไหม <S <S ได้ครับหลวงพ่อครับคำถามแรกนี่คือคุณจอยย่านี่ใช่ไหม เพรา ะ, ะเห็นดีเลยใช่ไม้มหรือให้ผมอ่านเลยครับอ่าคนรู้ใจกันได้ครับผมบอกว่าทำอย่างไรคะถ้าเราเห็นว่าจิตมีความเมตตาน้อยลงโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวหรือกับสัตว์ปฏิบัติธรรมมาหลายปีแต่ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่คะ่ะเน้นการรู้กายใจไม่ค่อยได้เน้นสมถะค่ะก็ถ้าเรารู้ว่าเรามีความเมตตาน้อยลงเราก็ต้องเพิ่มการเมตตามากขึ้นแล้วก็ต้อง พยายามบังคับตัวเราเองให้เรานึกถึงโอกของคนอื่นคนอื่นเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกับเราแล้วก็ถ้าเราสามารถช่วยแบ่งปันความสุขให้เขาได้แล้วก็ควรจะแบ่งปันให้กับเขาไปคือควรจะลดเรื่องของส่วนตัวเราให้น้อยลงไปเราคิดถึงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เพราะว่าคนเราต้องอยู่ร่วมกันแล้ถ้าเรามีความเมตตาเราจะมีเพื่อนจะมีคนที่รักมีคนที่ก็จะดูแลรักษาเราอย่างในอันิี่สองของการมีความเมตตาข้อหนึ่งสองข้อก็คือผู้ที่มีความเมตตาจะเป็นที่รักของมนุษย์นัตเทวดาทั้งหลายสอง เทวดาจะคุ้มครองปกป้องรักษาให้แก้วคาดปลอดภัยจากภัยต่างๆถ้าเราคิดว่าเหมือนกับการซื้อประกันภัยก็แล้วกันเราก็ต้องจ่ายเงินค่าประกันและเราก็จะได้มีประกันภัยทางด้านจิตใจเราก็ต้องซื้อประกันภัยด้วยการมีความเมตตาต่อผู้อื่นเราอาจจะต้องเสียสละแบ่งปัน ความสุขและประโยชน์ของเราให้แก่ผู้อื่นบ้างเพื่อจะได้มีผู้อื่นเขาจะได้รักและชอบเราและจะคอยดูแลรักษาป้องกันภัยให้กับเราอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอาจจะต้องคอยสอนใจและถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าฝึกสมาธิได้ยิ่งดีทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจจะมีความสุข เราจะสามารถแบ่งปันแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นได้อย่างง่ายด้นี่คือคําตอบของคำถามข้อแรกนี้ข้อที่สองคุณหมอมีอะไรไห ม, มให้เราอ่านเลยก็ได้ไม่ไงนะคุณหมอจ ะ, ะอ่านอาจารย์เอาที่อาจารย์อ่านเลยก็ได้ครับผมอ่านไปเลยนะครับขอกําลังใจสําหรับผู้ป่วยบ่ายโพล่าด้วยครคุณหมออันนี้เรื่องเขาขอคุณหมอเนี่ยไม่ได้ขอเรา า อ, อาจารย์ตอบปบโพร่าก็เหมือนกับคนเขาเป็นเหมือนกับอารมณ์ดีบ้างเสียบ้างอย่างนี้ยครับพระอาจารย์ครับามอกําลังใจครับผมก็พยายามมันฝึกสติให้มากๆพยายามท่องพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางคือเป็นอุบเบกขาจะไม่แกว่งไปทางใดทางหนึ่งทางดีหรือทางชัว่ว พยายามฝึกจิตให้นิ่งให้สงบด้วยสติหมั่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธที่เราสามารถทําได้ตลอดทั้งวันถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับงานการหรืออะไรก็อย่าปล่อยให้ใจคิดเอามาคิดคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจจะมีสติใจจะนิ่งใจจะไม่คิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์ต่างๆอารมณ์ก็จะไม่แกล้ง การที่จะมีอารมณ์ดีบ้างชั่วบ้างมันก็จะลดน้อยลงไปจากการมีสตินี่แฝึกสติแล้วใจจะว่างใจจะเย็นปราศจากอารมณ์ต่างๆแล้วก็จะทาให้ใจนี้มีความสุขพยายามฝึกสติให้มากแล้วปัญหาเรื่องจิตต่างๆจะหายไปคุณสุภาพร จะช่วยคนป่วยที่กําลังจะตายให้ไปด้วยความสงบได้อย่างไรคนป่วยไม่เคยปฏิบัติเป็นหญิงชาราก็ถ้าไม่เคยปฏิบัติก็ถ้ามีธรรมะที่เราสามารถเอามาเปิดให้เธอฟังได้ธรรมะคาสอนนี่ก็จะช่วยทําใจให้สงบได้หรือว่า ถ้าเธอสวดมนต์ได้ก็สอนให้เธอสวดมนต์บ่อยๆบอกว่าอย่าไปคิดอะไรทาใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขใจจะไม่หวั่นไหวจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายข้อสำคัญก็คือต้องทาใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ด้วยการคาเทศ้องทําเป็นต้น ข้อต่อไปคุณอ้อมทิฏฐิพอฝึกอยู่กับลมหายใจมากๆจนเกิดอารมณ์เบื่อค่ะจะทำอย่างไรให้จิตผงองยมากขึ้นคะตอนนี้รู้สึกเฉยๆไปหมดทุกอย่างเหมือนไร้อารมณ์ค่ะความจริงการไม่มีอารมณ์นี้มันก็น่าจะดีนะเพราะอารมณ์นี้เป็นตัวที่สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา เพงแต่ว่าอาจจะเกิดความอยากให้มีอารมณ์นั้นจึงทําให้เรามีความรู้สึกเบื่อความอยากนี่เลยเป็นตัวเหตุที่ทําให้เรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายทําให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจงั้นเราอยากไปอยากได้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้พิจารณาว่าอารมณ์ทั้งหลายมันไม่เที่ยงและเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ ถ้าเรายึดติดกับอารมณ์เราก็จะขึ้นขึ้นลงลงไปกับอารมณ์อารมณ์ดีเราก็ดีใจอารมณ์เสียเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราอยู่แบบปราศจากอารมณ์ได้นก็จะไม่มีอะไรมาทำให้เราดีใจหรือเสียใจถ้าเราฝึกอยู่กับอรมณ์แก็เบื่อก็ลองเปลี่ยนมาใช้คำบาลรรรพุทโธพุทโธแทนก็ได้ถ้านั่งสมาธิอยู่ ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิก็ใช้การเฝ้าดูร่างกายเป็นการฝึกสติไปแทนก็ได้คอยเฝ้าดูการกระทำต่างๆของร่างกายว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเรื่องที่อยู่ในอดีตแล้วก็ดีเรื่องที่ยังไม่มาในอนาคนกตก็ดีพยายามให้จิตอยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายอยู่โดยไม่คิดปรุงแต่งอะไร แล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความรู้สึกมีความสุขจิตจะผ่องใสเห่นพยายามมันฝึกสติให้มากๆถ้าดูลมไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นคำบิกรรมพุโทพธโธพทโธหรือคอยเฝ้าจดจอ่อดวการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายทุกขณะทำได้มากเท่าไหร่ใจก็จะใสจะผองขึ้นมากขึ้นเท่านั้นข้อต่อไป ทดสอบระบบหลวงพ่อครับเมตตาให้ธรรมะคลายกังวลจากโควิดเราก็ต้องยอมรับสภาพของการเกิดของเราว่าไม่ว่าใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วย่อมต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่ลงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่ลงพ้นจากความตายเป็นไม่ได้ แต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่ตายคือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นจิตผู้มาครอบครองร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปทำอะไรต่างๆเราจึงไม่ต้องไปเสียดเสียดายกับร่างกายนี้เพราะร่างกายเวลาร่างกายนี้ตายหรือเป็นอะไรไปจิตใจคือเรานี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับ ร่างกายแต่เนื่องจากความหลงที่เราไม่ได้ศึกษาธรรมมา ก, กนันก็ทําให้เราหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเราเป็นไปกับร่างกายงั้นขอให้เราหมั่นสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่เที่ยง ม, มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ว่าจะมีโรคโควิดหรือไม่มีโรคโควิด ไมีโควิดมันก็มีโรคอื่นเข้ามางั้นอยู่ในโลกนี้มันต้องเจอโรคภัยข้าเจ็บทุกคนแล้วก็ต้องพบกับความตายในที่สุดกันทุกคนแต่ผู้ที่ตายนะั้นไม่ใช่จิตไม่ใช่เราผู้ที่ตายคือร่างกายที่ทํามาจากธาตุสี่เกิดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ธาตุสี่เย็นดินดน้ำลมไฟทุกคน แต่จิตใจของทุกคนไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของทุกคนก็ไปต่อไปตามอำนาจของบุญของบาปและอำนาจของตันหาความอยากต่างๆถ้าเบื่อกับการที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องปฏิบัติทำเพื่อตัดดิเลตตันหาคือความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะ ไม่ต้องกลับมามีร่างกายกต่อไปไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอันนี้คือสัจธรรมความจริงที่เราควรจะหมั่นสอนใจยรื่อยๆแล้วก็พยายามทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติใจสงบแล้วใจจะไม่หวั่นไหวกับความเป็นความตายของร่างกายข้อต่อไปคุณธนพลศรีวิบูล จะเอาตัวเราเออกได้อย่างไรเขาอธิบายด้วยก็การฝึกสมาธินี่แหละเป็นการเอาตัวเราเออกจากโลกนี้ออกจากร่างกายเพราะจิตนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายและจิตไม่ได้อยู่ในโลกนี้จิตอยู่ในโลกที่แกลงแต่ส่งกระแสคือวิญญาณรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อมารับรู้เรื่องราวต่างๆของโลกนี้พอเราฝึกสมาธิฝึกสติ เราก็จะดึงกระแสของวิญญาณนี้ให้กลับเข้าไปในโลกทิพย์เข้ากลับไปในตัวจิตพอจิตสงบจิตกับร่างกายนี้ก็จะแยกออกจากกันชั่วข้าวจิตก็จะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทางร่างกายชั่วข้าวจิตก็จะเห็นว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันจิตก็จะสงบจิตก็จะมีความเย็นมีความสุขแล้วพอ จิตกลับมาออกจากสมาธิกับเข้ามาในร่างกายก็ใช้ปัญญาคอยสอนใจว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันทำให้จิตทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของไม่ถาวรได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวนันพัก า, า, ากนันสอนจิตให้ปล่อยว่างไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปพึ่งอะไรในโลกนี้ ให้จิตเพิ่องอย่างเดียวคือความสงบก็พอเข้าต่อไปคนไทยหม่นท่องพุโทโธตลอดแต่ก็มีความเพียรไม่พออยากมีใจห่านหา น, หานจิตสติ จ, จดจ่อยอยู่กับพุโทโธไม่ขาดสายก็ต้องหาเวลาไปปลีกวิเวกเช่นมันหยุดทำ ง, งานวันที่เราว่างไม่ต้องทำ ง, งานเราลองไปหาที่สงบเช่นวัดปา่าวัดที่มีการปฏิบัติ ป่าที่เขาสอนให้เราปฏิบัติให้เราอยู่ตามลำพังของเราเราก็จะมีเวลาที่จะมาท่าบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องใช้ความคิดต่างๆเราก็สามารถดึงจิตให้มาบริกรรมพุโทโธพุโทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องแล้วเราก็จะมีกำลังสติเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับ ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะชั่วคราวสั้นๆก็เป็นการเหมือนเติมพลังเติมสติให้กับจิตใจที่จะทําให้เราเวลากลับไปทํางานทําการนี้เราก็ยังสามารถเจริญสติได้ดีกว่าตอนที่เราไม่ได้ออกมาฝึกหัดตามเราทำแล้วต่อไปเราก็จะเห็นคุณค่าของการฝึกสติเราก็อยากจะเปรียกวิเวกเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่นักปฏิบัติเขา ท, าทำขํำกัน พอเขาได้เจริญสติเขาเห็นคุณค่าของสติจากการไปปรีดวิเวกเขาก็จะหมั่นออกไปปรีดวิเวกอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะการมีสติจะควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจควบคุมกิเลสตัณหาได้ดีกว่าการไม่มีสตินั่นเองข้อต่อไปคุณเบนจมาตขออนุญาตถามหลวงพ่อประดุของพ่อหลังจากที่เก็บมาจากเมรุเราเก็บไว้ที่บ้านทั้งหมดได้ไหม ได้เก็บไว้ที่บ้านได้ก็ควรจะเก็บไว้ที่เหมาะสมคือเราต้องให้เกียรกระดูกของพ่อแม่เคารพรักพ่อแม่เหมือนตอนที่ท่านยังอยู่ก็เก็บไว้ในที่บรรจุที่ดีแล้วก็ตั้งไว้ในที่สูงจะอยู่ใกล้ๆกับฐานพระก็ได้อยู่ข้างล่างถ้ามีห้องพระก็เก็บไว้ในะห้องพระเพื่ที่เราจะได้สักการะบูชาต่อไปเป็นของที่ระลึกเท่านั้นเอง ไม่ใช่เป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวพ่อใี้ท่านจากเราไปแล้วดวงวิญญาณของ ท, ท่านไปสู่พวกชาติตามอำนาจของกรรมที่ท่านได้ทำไว้แต่เราเก็บกระดูกไว้เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านท่านนั้นเองท่าตตอไปคุณสวีทโฮมกลาวนมาสการอยากเรียนถามวิธีการรับมือกับคนที่อาฆาตคอยขัดขวางทำให้ชีวเรายุ่งยากมากขึ้น คนจะทำอย่างไรได้บ้างครับวิธีถ้าเราทำได้ก็คือแผ่เมตตาให้ความเมตตากับเราอย่าไปถือว่าเป็นศัตรูให้นึกถือว่าเขาเป็นมิตรถ้าเราสามารถที่จะทำอะไรให้กับเขาได้ก็ควรจะทำให้กับเขาเอาเอาความดีชนะความโกรีดเขาอาจจะเกลียดเราเ ถ้าเราสามารถทําความดีให้กับเขาได้มีอะไรก็ช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยมีอะไรแบ่งปันให้เขาได้ก็แบ่งปันไปให้เราคิดว่าเขาเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรของเราเราอาจจะเคยทําบาปทํากรรมกับเขามาในอดีตชาติเขาก็เลยต้องมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราแต่เราไม่ควรที่จะไปตอบโต้เขาไม่ควรที่จะไปมีเรื่องมีราวกับเขา พยายามทใจของเราให้เฉยๆคิดว่าเป็นการรับเคราะกรรมของเรารับบาปกรรมของเราที่เราเคยทําไว้แล้วถ้าเราแผ่เมตตาให้กับเขาได้ทําความดีให้กับเขาได้เขาก็อาจจะให้อาภัยเราต่อไปก็ได้ถ้าไม่ให้อาภัยก็ก็ไม่ต้องไปหวังอะไรทําความดีไว้แล้วก็ถ้าบันถึงข่าวจริงๆเขาจะทําร้ายเรา ถ้าเราหลบไม่ได้หลีกไม่ได้เราก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันเป็นเรื่องของวิบากรรมแต่ใจของเราจะสมบใจของเราจะไม่วุ่นวายอย่าพยายามไปเปลี่ยนแปลงเขาอย่าไปห้ามเขายิ่งอยาให้เขาไม่มาทำเรายิ่งเครียดยิ่งทุกข์ใหญ่ตรงว่าเขาจะทำอะไรก็ทำไปถ้าเราหลบได้ล้วก็หลบหลีกได้เราก็หลิกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้เราก็ปลง ใจของเราจะสงบใจของเราจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนข้อต่อไปคุณนวจรินวบวนอาพล่าดนี่ต่ออ่านเชื่ อ, อจะผิดหลวมพ่อการเวลานั่งสมาธิทำไมจิตชอบไปเที่ยวทำอย่างไรจิตจะนิ่งได้ครับเพราะเราไม่มีสติคอยควบคุมจิตก่อนจะมานั่งสมาธินัน่นเองการจะนั่งสมาธิได้ผลเราต้องเจริญสติก่อนที่เรามานั่ง เราต้องสามารถควบคุมความคิดของเราได้ในระดับหนึ่งก่อนดังนั้นเราควรจะฝึกสติให้มากๆก่อนฝึกได้ตั้งแต่เราด่มตาขึ้นมาเลยพอเราเตื่นขึ้นมาเวลาที่เราจะลุกขึ้นไปทำอะไรเราก็ตั้งสติไว้เลยตอนนั้นเรายังไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องราวต่างๆก็คอยหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือ ด, ด้วยการเฝ้าดูกิจกรรมที่เรากาลังทาอยู่ กำลังอาบน้ำล้างหน้าแปลงผันก็ให้จดจ่ออยู่กับการอาบน้ำล้างหน้าแปลงผันเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะใช้คำวลีคำพูดเถอะควบคู่ไปกับการทํางานอาบน้ําล้างหน้าแปลงผันไปก็ได้เป้าหมายก็คือต้องคอยควบคุมจิตไม่ให้คิดปุ่นแต่ถ้าเรามีกําลังของสติควบคุมจิตได้เวลานั่งสมาธิจิตจะไม่ไปเที่ยวไหน ถ้าจิตดูลมจิตก็จะอยู่กับดูการดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็จะสงบได้ได้ผลจากการนั่งสมาธิจะได้รับความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงคือความสุขนี่ข้อต่อไปคุณดูสกายดีอยากถามหลวงพ่อว่ามีเทคนิคการศึกสติตอย่างไรบ้างาเพราะเผลอบ่อยมากๆบางทีก็หลงลื ก็ลองเขียนคำว่าสติไว้กับที่ที่มือเราก็ได้แล้วคอยหยิบขึ้นมาดูฝ่ามือเราอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะคอเตือนเราให้มีสติหรือถ้าเราสามารถแปะป้ายไว้รอบสถานที่ที่เราทำางานหรือที่เราอยู่เขียนคำว่าสติสติสติให้มันทั่วไปหมดแล้วพอเราเห็นเราก็จะได้มีอะไรเตือนใจเราว่าเราต้องมีสติเราต้องฝึกสติ เราต้องหยุดความคิดต้องเน้จิตใ ห, ให้ให้ไม่ให้คิดปรุงแต่ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับร่างกายให้ดูว่าร่างกายเรากำกำกำลังทำอะไรหรือให้อยู่กับคำบริกรรมพูดโถพูดโถไปก้อต่อไปคุณจาประสิทธิ์คุณไพศาลมีทุกอย่างครบนในชีวิตแต่ยังไม่มีความสุขจริงๆสักที ใช่เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความสุขปลอมมันจะไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้และความสุขที่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายได้มีความสุขชนิดเดียวที่เป็นความสุขจริงก็คือความสุขที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้สิ้นกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงเท่านั้น ที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงมีความสุขที่จะทําให้จิตเราอิ่มล้วพอจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรต่อไปนั้นคนที่จะมาฝึกจิตกันฝึกจิตด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมการฟังธรรมนี้ก็ควรจะฟัง จ, จากพระปฏิบัติพระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ พระที่ท่านบรรลุ ธ, ธรรมแล้วนั่นจะดีกว่าเพราะท่านจะได้สอนได้อย่างถูกต้องแม่นย่างถ้าไปฟังธรรมจากพระที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนี้ธรรมะของท่านยังไม่ใช่เป็นธรรมแท้และอาจจะทําให้เราสับสนหรือไม่เข้าใจได้ถ้าจะฟังธรรมก็ลองฟังธรรมของพระปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่บาอาจารย์ต่าง ถึงแม้ท่านจะตายจากไปแล้วแต่ก็มีหนังสือมีมีเทพธรรมะบรรมะันทึกเอาไว้ให้อ่านได้เช่นธรรมะของหลวงตามาหาบูเป็นต้นเราก็ไปในเว็บไซต์ของท่านก็ได้นลวงตา .com แล้วในนั้นจะมีหนังสือธรรมะให้อ่านให้ให้ดูแรือมีมีเสียงธรรมะให้ฟังอย่างล้นหลามยอดแยะไปหมด ทำแล้วจะทาให้จิตใจสงบทำให้จิตใจเกิดปัญญาขึ้นมาข้อต่อไปคุณพิ้งแพนเตอร์กลาวนมห ก, การพระอาจารย์เวลาสวดมนต์ทำไมชอบหาวแล้วง่งนอนก็เพราะว่าจิตมันไม่ชอบเรื่องการสวดมนต์นั่นเองเพราะการสวดมนต์มันไม่มีรสชาติเหมือนกับการดูภาพยนตร์หรือการล้องรำทำเพลง เองนำทำเพลงดูภาพยนตร์มันเินเรื่องมีราวมันทำให้จิตมีการกระตุ้นแต่การสวดมนต์นี้ต้องการที่จะไม่กระตุ้นจิตใจต้องการจะกล่องจิตใจให้สงบทีนี้ถ้าเรามีสติน้อยพาเราสวดมนต์ไปจิตก็จะถูกกล่องให้สงบพอจิตกล่องให้สงบถ้าเราไม่มีสติมันก็เลยมัว่วมันก็เลยหา เราต้องมอฝึกสติให้มากๆหรือต้องไปสวนบนในที่ที่มันน่ากลัวถ้าอยู่ที่ไหนหน่ากลัวนี้่จิตมันจะตื่นมันจะไม่งวอคนที่มีปัญหากับเรื่องการง่วงนอนนี่บางทีเวลาจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี้ต้องไปหาสถานที่ที่มันน่ากลัวเช่นตามป่าช้าหรือในป่าที่มีภัยรอบด้าน พอไปอยู่ที่อย่างนั้นแล้วจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมามีสติขึ้นมาโดยโด ย, โดยธรรมชาติโดยสิ่งแวดล้อมจะบังคับให้มีสติขึ้นมาถ้าอยู่ที่ปลอดภัยนี้มันก็จะทําให้จิตไม่มีสติได้ข้อบต่อไปคุณแอนแอนจะสวดมนต์นั่งภาวนาทําให้มีพลังมีปัญญาแต่พอห่างจากการปฏิบัติธรรมทาให้มีอารมณ์ขึ้น ข, นขนลงๆถูกต้อง เราจึงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติไม่ให้ขาดเมื่อเราปฏิบัติอะไรได้นะเราต้องรักษาปฏิบัติต่อไปความเพียรนี้ลดไม่ได้มีแต่เพิ่มเนื้อรักษาในระดับที่ได้อยู่ไว้อย่าให้มันลดลงเพราะถ้าเราลดลงการปฏิบัติ ท, ทําลดลงอารมณ์ก็จะมีมากขึ้นไปการปฏิบัติ ท, ทํากับอารมณ์นี้เป็นคู่ต่อสู้กัน ถ้าเรามีการปฏิบัติทำอยู่เรื่อยๆเราจะควบคุมอารมณ์ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติอารมณ์มันก็จะโผล่ขึ้นมาได้อย่างาง่ายใหญ่ข้อต่อไปคุณฟิงเกอรตล์ไทยการฟังบทสวดมนต์หากยังไม่เข้าใจภาษาบาลีจะยังได้รับอันยิ่งไ ม, มครับได้ถ้าเราตั้งใจฟังถ้ามีสติฟังอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้ เราก็จะได้สมาธิจิตสงบแต่เราจะไม่ได้ปัญญาคือเราจะไม่เข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ซึ่งความหมายของบทสวดมนต์ส่วนใหญ่นี้ก็เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองถ้าเราเข้าใจความหมายถ้าเราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าความหมายของบทสวดมนต์เราก็ต้องไปเปิดหนังสือที่มีคาแปลของบทสวดมนต์นัน้นแล้วเราจะได้เข้าใจ ว่าบทสวนมนที่เราสวดนั้นกำลังสอนอะไรเราอยู่นั่นเองข้อต่อไปคุณทีดีเพชรคลินิกปกตินั่งสมาธิทุกวันวันละห้าหนาทีแต่จะชอบนับจำนวนไปตามที่ลมหายใจที่ต้องนับเพราะจะได้ไม่คิดฟุ้งไปที่อื่นแบบนี้ได้ไหมาครับถ้าใจเราไม่ฟุง้งใจเราไม่คิดฟุงแต่ก็ใช้ได้แต่คนจะนั่งไปให้นานกว่าห้านาที คือสมมติว่าถ้าเราตั้งห้านาทีแต่พอถึงห้านาทีถ้าเรายังนั่งต่อไปได้ก็ควรที่จะเพิ่มไปควรจะเพิ่มการนั่งให้มากขึ้นไปขยายเวลาให้มากขึ้นจากห้าเป็นสิบจากสิบเป็นสิบห้าทำไปเรื่อยๆเพราะยิ่งยิ่งยิ่งนั่งได้นานเท่าไหร่จิตยิ่งสงบได้ได้มากขึ้นจิตจะเย็ยนมากขึ้นอารมณ์จะลดน้อยลงจิตจะมีความสุขมากขึ้นงั้นอยาถ้า ถ้าเราตั้งห้านาทีแต่พอถึงครบห้านาทีอย่าเพิ่งเลิกลองผับต่อไปลองต่อไปสกนาทีสองนาทีสามนาทีหรือถ้าเป็นไปได้ก็ลืมเรื่องนาทีไปเลยนั่งไปนับไปจนกว่าใจเราจนกว่าเราจะนับไม่ไหวจนทนไม่ไหวจริงๆแล้วค่อยเลิกถ้าเราตั้งใจนับไปเรื่อยๆไม่ไปไม่ไปนสนใจว่าได้เท่าไหร่แล้วใจเราอาจจะ สงบได้วอยากจะนั่งต่อไปก็ได้ก็ต่อไปคุณนางสันที่ลืมแ ล, ล้วเรียนขำนรดเลยที่หมายสมองชาดลงปฏิบัติสมาธิแบบไหนช่วยให้คิดดีขึ้นก็ฝึกสตินี่แหละการไม่มีสตินี่ทําให้เราหลงเราลืมเพราะขณะที่เราทําอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรขณะที่เราทําอะไรเราก็ไปคิด เ, เ, เ, เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เลยลืม เ, เรื่องที่เราทำอยู่ บองทีเราทำเสร็จแล้วเรายังไม่แน่ใจว่าเราได้ทำมันหีือยางเพราะไม่มีสติในขณะที่เรากำลังทำงานอยู่นั่นเองในพยายามฝึกสติคอยบังคับใจให้เฝ้าดูการทางานของร่าง ก, กายทุกอวัยาบทุทกขณะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ถ้าเราจดจอ่อเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะมีสติและเราจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรได้ทาอะไรไปแล้วแล้วเราจะไม่ลืมเพราะมันจะฝังอยู่ในใจเรา แต่ถ้าเราทำงานนี้แล้วเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรพอเรากลับมาคิดอีกทีเราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเราทำหรือเปล่าข้อต่อไปคุณการชนาครั้งแรกในชีวิตดูลฟ์สดที่มีพระด้วยคบคนดีจะนำพาเราไปทำดีทำแต่ทานรักษาหมาแมวไม่ค่อยฟังทำเลยค่ะ ก็คนรจะฟังเพราะธรรมะนี้เป็นจะเสริมปัญญาเสริมความเข้า อ, อกเข้าใจในเรื่องการทําบุญทําทานในเรื่องการรักษาศีลได้ดีขึ้นปพญามันฟังธรรมแล้วเราจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะรู้จักวิธีปฏิบัติที่จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นต่อไปคุณบีบีการณีน ถามการทําบุญกับพระที่รักษาศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้อ น, นิสงส์งมากกว่าทํากับพระที่ไม่มีศีลเป็นเรื่องจริงไหมคะก็เป็นทั้งจริงและไม่จริงคือการทําบุญนี้มันจะมีมอ น, นิสงส์สองส่วนอนิสงส์ส่วนแรกคือความสุขใจนี้เราทํากับใครนี้เราจะได้ความสุขใจเหมือนกันไม่ว่าจะทํากับพระหรือทํากับโยนหรือทํากับ กับสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือแมวหรือสัตว์เวลี้ยงานาทั่วไปถ้าเราทำด้วยความเมตตาด้วยความเสียสละแบ่งปันเพื่อหวังประโยชน์ของผู้รับเพียงอย่างเดียวเราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการกระทำเหมือนกันแต่ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็สิ่งที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำรือด้วย เช่นถ้าเราทําบุญกับพระเราก็จะได้มีโอากาสฟังเทศน์ฟังธรรมหรือสอนงานธรรมกับท่านเราก็จะได้ธรรมะเป็นผลตอบแทนซึ่งธรรมะนี่ก็ถือว่าเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งและถือว่าเป็นบุญที่สูงกว่า บ, บุญที่เราได้รับจากการทําบุญทําทานเจด้วยซ้ําไปเราจึงมีความมีมีการสอนว่าถ้าเลือกทํากับคนที่ดีทํากับพระได้ก็จะดีกว่า เพราะจะได้รับประโยชน์คือได้รับธรรมะถ้าทากับคนที่เขาไม่มีธรรมะไม่มีความเขาก็จะไม่ให้อะไรเรานอกจากอาจจะยกมือไหว้ขอบคุณเราเท่านั้นเองนี่คือส่วนต่างที่ไม่เหมือนกันเวลาที่เราทำรุ่มกับบุคคลต่างๆข้อต่อไปคุณมารีการปฏิบัติจาเป็นต้องมีครบทั้งห้าอย่างหมครับหลวงพ่อคือวิตวิชาปิติสุข คือเราไม่ต้องไปมีกังวลกับเรื่อง5อย่างนีนะ้ถ้าเรามีสติตรดจออยู่กับการดูลมหายใจนี้เราก็มีวิตรวิจารนะ์แล้วถ้าเรามีสติควบคุมให้เฝ้าอยู่ลมหายใจไปไม่ขัดเดี๋ยวปิติสุขก็จะตามมาและเอกขักกตาก็จะตามมาในที่สุดยังไม่ต้องกังวลเวลาที่เราปฏิบัติสมาธินั่งสมาธินี่ขอให้เรามีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ เป็นเครื่องผูกใจเท่านั้นก็พอถ้าเราดูลมหายใจก็ให้ดูที่ปลาจมูกดูว่ามันเข้ามันออกแต่ไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคำบาลรรมพุทโธไปไม่ต้องดูลมก็ได้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวเท่วนี้มันก็จะพาเราไปสู่วิตกวิจารปิติสุกและเอกขะตาตามลาดับต่อไปไม่ต้องกังวลมันเป็นเหมือนกับขับรถ ข, ขับใช้รถเกียร์อัตโนมัติ เราเข้าเกียร์ปั๊บแล้วเดี๋ยวรถมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เราเองบางทีมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ต่ําเป็นเกียร์สูงบางทีมันก็จะเปลี่ยนเกียร์สูงกลับลงมาเกียร์ต่ําเลยอัตโนมัติการปฏิบัติก็คล้ายๆกับการขับรถเกียร์ออตโต้เนี่ยให้มีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไว้จะเป็นลมหายใจก็ได้จะเป็นคําบริกรรมพูดโถ ก, ก็ได้เพียงอย่างเดียวเท่านี้แล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามอัตโนมัติของมันเอง ข้อต่อไปคุณอ้ำพรวิกิจการกุศลโกศล 19, หลังโควิดสหลวงพอ่อมีการสอนปฏิบัติธรรมไหมครคืออาตมาจะมีแต่การแสดงธรรมแล้วส่วนการปฏิบัตินี้ผู้ปฏิบัติต้องไปนำไปปฏิบัติเองปกติถ้าเวลาที่ไม่มีการปิดวันเช่นอย่างตอนนี้ก็จะมีการแสดงธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการ และวันพระเวลาบ่ายสองโมงที่กุฏิห้าในวัดญาณสังวรารามตอนบ่ายสองโมงถึงสี่โมงและก็มีการถ่ายทอดสดไปในทาง Facebook กับ YouTube ของพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตสามารถติดต่อติดตามดูการถ่ายทอดสดได้ทุกบ่ายสองโมงซึ่งขณะนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดสดอยู่ทุกวัน เพียงแต่เอาของเก่ามาถ่ายทอดสดคือทําที่ได้แสดงไว้ได้เก็บบันทึกเอาไว้เพราะช่วงนี้ไม่สามารถแสดงธรรมแบบสดๆได้ก็ต่อไปคุณเปิลวารพาณิชหลังจากนั่งสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งขั้นตอนต่อไปต้องทําอย่างไรต่อเพราะเขาจะนิ่งอยู่อย่างนั้นค่ะ พยายามใ้มันนิ่งนานๆนัยิ่งนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะเป็นการเหมือนกับเป็นการชาร์จแบตเตอรี่คือเป็นการให้ความสุขกับใจให้ความอิ่มกับใจให้ใจมีอุบเบกขามากๆในเวลาจิตสงบแล้วอย่าไปทําอะไรอย่าเพิ่งไปพิจารณาทางปัญญาให้จิตสงบนิ่งไปนานๆจนกว่าจิตจะถอนออกจากสมาธิมาแล้ว เมื่อถอยมาแล้วก็สามารถที่จะนำจิตที่สงบนี้ไปพิจารณาทางปัญญาได้เช่นไปสอนใจให้พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราทามาจาก่าสีดินน้ำลมไฟและร่างกายของทุกๆคนไม่ ไม่ใช่เพราะไม่เฉพาะแต่ของเราเท่านั้นของคนอื่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็เป็นเหมือนกันหมดเป็นเขาไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนสอนไปเรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมยกว่าเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมันในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรานั้นละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้ เพระถ้าเราลความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความหวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะหายไปหมดนี่คืออ น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจากการเจริญปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าใจเรายังไม่มีสมาธิเราจะไม่สามารถพิจารณาความจริงไม่ได้เพราะกิเลสมันจะทําให้เรารู้สึกหดหู่ รู้สึกหวาดตัวเวลาที่เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราออกจากสมาธิใหม่ๆนี้จิตของเราจะมีอุเบกขามากจิตจะเฉยๆจะรับความจริงของร่างกายได้จะไม่รู้สึกขดครูจะไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างได้ราจะพร้อมที่จะปล่อยวางเพราะเห็นความเป็นจริงที่ที่รู้ว่าต้องต้องปล่อยวางถ้าเพราะว่าถ้าไม่ปล่อย ใจจะทุกข์มากเวลาพบกับความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองข้อต่อไปคนยักษ์กห้าห้าห้ า, ห า, หาเป็นคนกลัวผีมากกถ้าทำงานจริงหายกลัวผีได้คือผีมันมีสองชนิดนะผีจริงกับผีผีหลอกเพราะว่าผีจริงไม่หลอก จริงก็คือดวงวิญญาณต่างๆของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเขาไม่มาคอยมาหลอกเราให้เสียเวลาของเขาหรอกเขาก็ไปรับอา น, นิสงส์ผลบุญผลบาปของเขาส่วนผีหลอกผีผีไม่จริงเนี่ยคือตัวผีหลอกก็คือจิตใจเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเองโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในที่มืดคนเดียวนี่ใจเราจะเริ่มคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาว่าผีมาแล้ว พอได้ยินเสียงอะไรหน่อยก็ว่าเป็นผีพอเห็นแสงอะไรนิดก็ว่าเป็นผีทั้งนั้นอันนี้เป็นอุปทานเป็นความคิดตรุงแต่งเวลาที่เราเกิดความกลัวแบบนี้ให้มันให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดพอใจไม่คิดถึงเรื่องผีเรื่องความความกลัวผีก็จะหายไปท่องพุทโธพุทโธไปพุทโธ ท, ทำโมสังโฆก็ได้หรือจะสวดบทอิติปิโสไปกะนะ็ได้ คือคอยคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงผีนั่นเองพอใจไม่ไปคิดถึงผีความกลัวผีก็จะหายไปผีก็จะหายไปผีที่เกิดจากใจปูแตงขึ้นมาก็จะหายไปดั้นันฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะไปเจอผีก่อนก่อนที่จะผีจะมาหลอกเราเพราะถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเวลาถูกผีหลอกนี่เราจะไม่สามารถท่องพุโทโธพุโทโธออกมาได้ แต่ถ้าเราฝึกไว้ก่อนพอพอคิดว่ามีผีมาป้บก็ท่องพูดโธพูดโถไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเป็นผีเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวใจจะสงบแล้วมันจะไม่กลัวผีแล้วผีมันก็ไม่มีมันเป็นเสียงเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเท่านี้ข้อต่อไปคุณกิตศนาอยากเรียนถาม ว่าหนูฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมซ้ำๆทุกวันมาคอยแย่งอาหารที่เราควรที่เรากินก่นปฏิบัติอย่างไรดีตอนนี้ทำบุญสวดมนต์แผ่เมตตาให้ไหนก็ฝันบ้างเหตุการณ์เดิมก่อนวันพักก็ถ้าเราทำบุญส่บาตรก็อุทิศบุญที่เราทำจากการใส่บาตรให้กับเขาไปก็ได้เขาอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย ต้องการอาหารต้องการอาหารที่คือบุญและเวลาเราทําบุญใส่บาตรด้วอทําบุญชนิดไหนก็ได้ก็อุทิศไปให้กับเขาก็ได้แต่ถ้าเขายังกลับมาอยู่เรื่อยๆนี้ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราเราอาจจะมีอะไรกับหญิงคนนี้ในอดีตมาเราอาจจะเคยไปแย่งอาหารจากเขามาก็ได้เราก็ต้องยอมรับกับสภาพข อ, ของความเป็นจริง ว่มันเป็นวิบากกรรของเราแต่เหตุการณ์ที่เราพบในฝันนี้มันไม่มันไม่สามารถมาทําร้ายจิตใจของเราได้เราไม่ต้องไปกลัวก็ปล่อยให้ฝันไปเพราะเวลาฝันนี้เราไม่สามารถไปควบคุมความฝันได้เพราะว่ามันเป็นเป็นเวลาที่วิบากกรรมของเราจะแสดงผลถ้าเราทําบุญไม่มากเราก็จะฝันดีถ้าเราทําบุญน้อยทําบาปมากเราก็จะฝันร้ า, ราย ถ้าเราไม่อยากจะฝันร้ายก็พยายามทำบุญให้มากๆต่อไปเราก็จะมีแต่ฝันดีข้อต่อไปคุณยาคหาหาหา ห, าห้าถ้าเราฝึกจิตจนไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วจิตของเราจะไปอยู่ที่ไหนเรือ่อดับสูญหายไปจิตก็จะอยู่ที่เดิมตอนนี้ยอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตก็จะอยู่ที่นั่น เพราะจิตไม่มีสถานที่จิตไม่มีรูปร่างเราเรียกว่าโลกทิพย์พละกันถ้าจิตไม่มาเวียนว่ายตายเกิดจิตก็อยู่ที่เดิมเพียงแต่ไม่ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะร่างกายอันใหม่นั้นนีงเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายจิตที่ไม่ส่งกระแสมามาเกาะร่างกายเราก็เรียกว่านรีพาน น, นั้นเองรีพานคือจิตที่ไม่ มาเวียนว่ายตายเกิดกับร่างกายต่างๆอีก ต, ต่อไปเพราะตัดอิเล็กตันหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นวจิตไม่มีวันสูญหายจิตมีสองทางเลือกคือเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆหรือยุติการเวียนว่ายตายเกิดในส่วนจิตที่อยู่ของจิตก็คืออยู่ในโลกทิพย์ที่เดิมจิตไม่เคลื่อนไปไหนมาไหนเหมือนกับร่างกาย จิตเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่ในโลกทิพย์จิตของพรเจ้าตอนนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์ของพระอรหันต์่านหลายก็อยู่ในโลกทิพย์จิตของพวกเราก็อยู่ในโลกทิพย์เป็นเหมือนเป็นเหมือนเราอยู่บ้านของแต่ละบ้านเราก็อยู่บ้านเราพระพุทธเจ้าก็อยู่บ้านทัน้งบ้านของพระพุทธเจ้ามีมีแต่ความน่มเย็นเป็นสุขส่วนบ้านของเรานี้มีแต่ความวุ่นวายที่เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรกความหลงเท่านั้นเอง พอเราตัดเราทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้บ้านของเราก็จะเป็นบ้านที่สงเย็นมีแต่ความสุขเดืนวันที่ผ่านพอต่อไปอถ้ า, ถ, าถ้าต่อไปแล้วที่ว่ายัางไม่เข้าใจก็จะส่งคําถามเข้ามาถามถามซ้ําอีกก็ได้นะเพราะบางทีเราพูดไปเพียงคนเดียวแล้วผู้ฟังอาจจะฟังแล้วอาจจะขอแยงหรือไม่เข้าใจก็ สามารถถามกลับเข้ามาใหม่ได้คุณวรชนะถ้างานที่ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สุดแล้วเกิดปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้การปล่อยวางนี่คือโลกนี่คือชีวิตเป็นเช่นนั้นเองถือว่าขาดความรับผิดชอบไหมครับถ้าเราทำอย่างสุดความสามารถแล้วก็ถือว่าไม่มีไม่ได้ขาดความรับผิดชอบเราทำเต็มที่แล้ว แต่ความเป็นจริงมันอยู่เหนือวิสัยของการกระทำของเราเราก็ต้องยอมรับเช่นตอนนี้โรคระบาดนี้เราจะให้คนไปทํางานที่สํนานักงานก็ทําไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนั่นแหละจึงถือว่าไม่มีความรับผิดชอบแต่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็แก้ไม่ได้หรือแก้ได้เท่านั้น ก็ถือว่าเราทำสุดความสามารถของเราก็ถือว่าเรามีความรับผิดชอบก็ต่อไปคุณชุเินถวายน้ำพระถ้ามีพระหลายองค์ต้องถวายน้ำกี่แก้วกะขอบคุณพระก็เหมือนคนนะโยมโยมมีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านเขากี่คนโยมก็ต้องเลี้ยงคนที่มาที่บ้านเท่าที่เขามานอกจากเขาบอกเขาไม่ต้องการนั้นเก็ไม่ต้องให้เขา แต่เป็นพระนี่ท่านไม่นิยมบอกญาติโยมปล่อยให้ญาติโยมทําไปตามศรัทธาโยมอยากจะเลี้ยงพระรูปเดียวก็ได้อีกหลายรูปจะปล่อยท่านหิวก็ได้อันนี้ไม่มีกฎระเบียบบังคับแต่มันก็ควรจะมีความสามัญสํานึกว่าคนกี่คนเขาก็ต้องดื่มน้ากันทุกคนพระกี่รูปพระท่านก็ต้องดื่มน้ากันทุกรูปถ้าเราสามารถที่จะ ถวายให้กับทุกรูปได้ก็ถวายไปถ้าถวายไม่ได้ก็ไม่ต้องถวายทาไปตามกำลังของเราเ็าแล้วคันคุณทิศทีรัสฝึเกเจริญสติดโดยมองอนยรยบุและพุทโธสำหรับการระหว่างวันซึ่งจิต น, นิ่งขึ้นมากในช่วงนั่งสมาธิช่วงคำ่ำแล้วควรทำอย่างไรต่อก็พยายามนั่งให้มันนานๆให้มันนิ่งนานๆขยายเวลาของการนั่งสมาธิไป เช่นใครนั่งครึ่งชวโมงก็เพิ่มเป็นสี่สิบนาทีห้าสิบนาทียิ่งนานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีช่วงนี้ยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องการปฏิบัติธธทางปัญญาเท่าไหร่พยายามสร้างสตานของความสงบให้มีมากๆเพราะถ้าเรานั่งได้นานเวลาเราออกจากสมาธิมาจิตเราก็จะสงบได้นานถ้าเราสงบได้นั่งไม่แน่นนา น, านสงบไม่ได้นานพ อ, อจากสมาธิมาจิตเราก็จะสงบได้เดี๋ยวเๆแล้วเดี๋ยวก็จะจางหายไป เราต้องการความสงบมาเป็นเป็นตัวสนสนับสนุนการกระทําของเราเพราะถ้าจิตสงบนี้จิตจะมีความสุขแล้วจะทําอะไรมักจะทําในสิ่งที่ดีแต่ถ้าจิตไม่มีความสงบนี้จิตมักจะไปทําในสิ่งที่ไม่ดีได้งั้นถ้าเรานั่งสมาธิได้พยาานั่งบ่อยๆนั่งานานๆไปก่อนแล้วช่วงออกจากสมาธิมาถ้าเราอยากจะคิดทางปัญญาก็ได้ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่แน่อนอนไม่หวังพื่งอะไรจากเขาไม่ได้ตลอดไปบางเวลาก็เพึ่งได้บางเวลาก็พื่งไม่ได้เวลาเพึ่งไม่ได้ก็จะทำให้เราเสียใจทุกใจถ้าเราไม่ไปพึ่งเขาเลยเราก็จะไม่เสียใจไม่ทุกใจถ้าเรามีสมาธิมีความสงบนี้เราสามารถพึ่งสมาธิแทนได้ สมาธินี้หรือความสงบนี้จะให้ความสุขกับเราดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ น, นี่คือปัญญาข้อต่อไปคุณยุย้ยอไทยพูดเพราะเจ้าแต่ไม่ได้พูดเท็จผิดศีลห้าไม่ไม่ผิดหรอกเพราะศีลห้านี้เพียงแต่ห้าไม่ให้พูดปดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองส่วนพวกเรื่อมพูดเพราะเจ้พูดคำหยาพูดเรื่อง พูดที่เรื่องให้ยุเยวใม้เกิดความแตกแยกสมาคเคนี้อยู่ในบทของอากุศลระบบก็เคยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือพวกที่เป็นนักบวชเขาจะถือข้อเหล่านี้กันแต่สำหรับคาราวสาญาณโยงที่ถือสีล5้าสีลแปดนี้เพียงแต่ห้ามไม่ให้พูดบทเท่านั้นข้อต่อไปคุณมานะเจา้า เคได้ยินว่าเจริญมิปัสสนาพระท่านเห็นเนื้อหนังเปื่อยหลุนเป็นกองเห็นเป็นภาพจริงหรือเป็นเพลงสิ่งที่คิดแต่ว่าใต้หรือหนังก็แต่โครงกระดูกเป็นความคิดในจิตท่านเลยแต่บางทีท่านก็อาจจะไปดูของจริงก่อนท่านอาจจะไปดูศพเอชนิดต่างๆแล้วเอาภาพเหล่านั้นมาเล็กอยู่ภายในใจอยู่างนี้ความเล็กบ่อยๆมันก็จะฝังอยู่ในใจ ต่อไปเวลาที่ต้องการจะคิดถึงภาพเหล่านี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วที่ต้องให้นึกถึงภาพเหล่านี้ไว้ก็เพื่อที่จะได้คอยเตือนใจสอนใจถึงความไม่สวยงามของร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักบวชหรือผู้ที่ถือศีลแปะขึ้นไปนี้จําเป็นที่จะต้องฝึกการพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยงามของร่างกายเพราะว่าจะได้ระงับความอารมณ์คือการมาราคะได้ อ, อารมณ์การมาอารมณ์ได้นั่นเองพอคิดถึงความไม่สวยงามของร่าง ก, กายการมาอารมณ์มันก็จะหายไปแล้วก็จะทําให้สามารถรักษาศีลได้ถ้าไม่ไปล่อยไม่มีการพิจารณาเอาชูพะเลยมัวแต่คิดแต่ความสวยงามของร่าง ก, กายก็จะกเกิดอาการมาอารมณ์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและอาจจะรนแรงจนทําให้ไม่สามารถรักษาศีลต่อไปได้ข้อต่อไปคุณนายเรีนคิม์ ตอนสมัยอยู่วัดป่าบ้านตาลพระอาจารย์ที่น่ากลัวๆไว้ฝึกสติให้แนบใจไหมครับไดยินมาว่าหลวงตาไม่ให้ออกไปทุด ง, ง5ปีแรกแล้วพระอาจารย์ใช้เวลานานไหมถึงจะมีสติตอ่อเนื่องได้ทั้งวันคือที่วัด น, นี้มันเป็นป่าอยู่ส่วนหนึ่งส่วนที่ญาติโยมเห็นมันเป็นจาราแต่ส่วนที่พ้าอยู่นี้มันเป็นเหมือนอยู่ในป่าเลือยๆดังนั้น ก็เหมือนก็ไม่ต้องไปทุดงอยู่ในวัดนี่ก็ปีกวิเวงอยู่เองเหมืนอยู่ในป่าแล้วถ้าอยากจะให้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นก็ต้องคืนก็ออกมาเดินท่องเดินเดินเที่ยวไปในป่าในวัดก็ได้แล้วถ้าอยากจะทดสอบความกล้าหาญก็ไม่ต้องใช้ไฟก็ได้ปองไปเลยได้โดยอะไรกัดก็ตายไปเลยมันก็จะได้ปัญญามันก็จะได้ปล่อยวางร่างกายได้ยิ้น ถ้าอยู่วัดป่าที่เป็นวัดป่าจริงๆนี่ก็เหมือนกับอยู่ในป่าแล้วเพียงแต่ว่าที่ท่านเ อ, อกไปทุ่งตรงเพราะว่าท่านต้องการที่จะให้มีเวลากับการปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะเวลาอยู่ในวัดป่าก็ยังมีภารกิจที่ต้องทําร่วมกันเช่นดูแล ว, วัดคอยต้อนรับญาติโยมอะไรต่างๆกว่าปัดกว่าบริเวณศาลาบุติอะไรต่างๆนี้ แต่ถ้าไปทุ ด, ดงในป่าคนเดียวก็ไม่ต้องมีภาระเ ก, เกี่ยวข้อ ง, องกับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่คุณนิคิตภาระชดพผมบวชใหม่ไปบ้านเจ้าภาพนั่งนงอาสนะข้างๆมีน้ำเปล่ากระหายน้ำฉันเลยก่อนจะมีเจ้าภาพมาประเคิบ ถือว่าผิดศีปราชิตรักขโมยไม่ไม่ถือว่าเป็นประราชิตรักถือว่าเป็นอาบัติข้ออที่ต่ําสามารถตรงได้กลับไปวัดก็ไปตรงกับพระรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ว่าไปหยิบของที่ยังไม่ได้ประเคนมาฉันไม่ถือว่าเป็นประราชิกประราชิตกนี้ต้องเป็นของมีค่าหนึ่งมาสุซึ่งไม่ทราบว่าเป็นหาักกาท่าไหร่อันนี้ถ้าสงสัยจริงๆก็ได้ ปรึกษาเจ้าอาวาเรื่องพระอุปราชที่ท่านบวให้กับเราถามท่านว่าทำนี้ผิดหรือไม่หรือว่าถามพระที่เป็น เ, เป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้ลองถามท่านดูแต่เท่าที่เราเข้าใจคิดว่าไม่ได้เป็นถึงปาลาชิตยอย่างแน่นอนก็ อ, อกต่อไปอาจารย์ครับต <ไป S 2> ่าอย่างไยอดยอดดูร่วมกันอยู่เกินพันหนึ่งร้อยคนนะครับอาจารย์ครับ ไไ้ยงก็พอดีคำถามเต็มเลยครับอาจารย์แต่ว่าผมผมจะขออนุญาตอาจารย์ถามคาถามที่คนเขาค้างไว้ส่งมาก่อนล่วงหน้าสองคำถามก็จะได้จบแค่นี้อาจารย์เล่นนะครบต่ออีกสองคำถามนะครับอาจารย์ได้ได้เชิญครับคือมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเป็นอุปสิกาบอกว่าเราเลือกที่จะมีชีวิตโสดจะทำอย่างไรให้เราไม่ดูแปลกในสายตาคนอื่นว่าต้องมีครอบครัวคะ อ๋อมันแปลกอยู่แล้วเนะ่ยเพราะว่าในเรื่องนี้เขาต้องมี ค, มครอบครัวกันพราะเป็นปกติของโลกคนที่ไม่มีครอบครัวเขารายการเป็นคนแปลกแต่เป็นสิ่งแปลกที่ดีเป็นสิ่งแปลกที่ประเสริฐดูพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวรทั้งหลายทั่นก็เป็นคนโสดทั้งนั้นดังนั้นไม่ต้องไปกลัวความรู้สึกของคนอื่นรับเราต้องดูความเป็นจริงคนโสดที่ปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเป็นคนประเสริฐ เป็นคนที่น่าเคารพนักถือน่าอิจฉาริษยาจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องกับความของคนที่เขาไม่เข้าใจก็ไม่รู้เรื่องของศาสนาเขาจะคิดว่าเราเป็นคนด้อยไม่สามารถหาคู่ครองได้แต่ความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นคนประเสริฐเรามีพลังแห่งปัญญาที่จะเห็นทุกข์ของการที่มีครอบครัวนั่นเองถือว่าเราเป็นคนฉลาด คนที่มีครอบครัวนี่แหละถือว่าเป็นคนโง่ถ้าคนโง่จะมาดูถูกคนฉลาดก็ปล่อยก็ดูถูกไปคนฉลาดจะไม่ทือสาอะไรข้อต่อไปคุณหมอครับกลาบนาัสการพระอาจารย์เจ้าข่าสิบเป็นคนแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยหนะักและดูแลสุขภาพตัวเองดีมาตลอดแต่เมื่อสองวันก่อนประสบอุบัติเหตุพัดล้มจากเก้าอี้ทาให้เสียการทรงตัวข้อศอกกระแทกพื้นจนกระดูกข้อศอกหักทาผ่าตัดนะครับ การล้มนี้มาจากความประมาทและอาจเป็นผลของกรรมเก่าหรือกรรมในปัจจุบันนะชาติไหมเจ้าคะและสิทธิขอคําแนะนําจากท่านอาจารย์ว่าเราควรทําใจอย่างไรให้ไม่ทุกข์ก่อนที่จะทําการผ่าตัดเพราะครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในชีวิตที่สิทธ์ต้องเผชิญเจ้าคะ่ะและในระหว่างการรักษาตัวนี้สิทธ์ควรปฏิบัติธรรมอย่างไรเพื่อให้ใจเป็นสุขเจ้าคะขอน้อมกราบสาธุเจ้าคะ่ะคือเหตุที่เกิดขึ้นนี้มันส่วนหนึ่งก็คงอาจจะเป็นเพราะเราประมาทขาดสติ ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเรื่องสุดวิสัยก็ได้ซึ่งคนเราทุกคนเกิดมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างได้อย่างหนึ่งอย่างแน่นอนก็ค่อยเราทําใจยอมรับกับสภาพความเป็นจริงไม่ต้องไปกังวลกับมันแล้วก็พยายามรักษาร่างกายให้ให้ให้มันหายได้ด้วยการทําใจให้สงบแล้วก็ปล่อยให้หมอเข้าจัดการเรื่องกับร่างกายของเราหก็จะทำอะไรก็ฝากให้กับหมอไป ส่วนเราก็ดูแลจิตใจของเราพยายามทําใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรื้อด้วยการพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะหายก็ดีมันไม่หายก็ต้องอยู่ของมันไปตามสภาพเจังการจะจากกันไปวันใดวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะสงบจิตใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับความเป็นความตายของร่างกายเข้าต่อไปบวชแลย่งางคุณบอกนะ มีจักเพลพระอาจารย์ใหม่สี่ข้อครับขออนุญาตถามจักเพลพระอาจารย์ได้ไหมครับได้ได้เชิญเลยเรารอยู่ที่นี่ได้ตลอดครับผมผคุณศักชัยนะครับขนมกุลผมนั่งสมาธิทุกๆุกเช้าทุกวันก่อนไปทํางานนั่งแล้วจิตใจสงบแต่ระยะหลังนี้นั่งสมาธิแล้วจิตใจไม่สงบชอบปรุงแต่งไปต่างๆนานาทําอย่างไรดีครับพระอาจารย์ก็ถ้านั่งไม่สงบก็สวดมนต์ไปก่อนเพราะแสดงว่าสติเราน้อย เราไม่ได้ควเราไม่ได้เจริญสติมาก่อนพ อ, อมานั่งมัก็เรายังคิด ป, ปุ่มแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นอยู่นั่งไม่ได้ดูลมไม่ได้พูดโทไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปหลายๆจบสวดจนห่างรู้สึกว่าใจเริ่มนิ่งใจเริ่มสงบน่าค่อยมาฝึกสมาธิต่อไปดูลมต่อไปแล้วพูดโทต่อไปคุณบ้านไรสิรินยาครับ เวลานั่งได้20นาทีอาการร้อนวูบวาบผู้กายเกิดจากเหตุใดคะพระอาจารย์มันก็เกิดจากอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจให้ดูว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันแล้วก็ถ้าเราทนกับสภาพได้ก็ทนอย่างมันไปไม่ต้องไปกังวลให้เราภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปเพราะเป็นเรื่องของร่างกายซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ธรรมดาเวลา น, นั่งสมาธิส่วนใหญ่ร่างกายจะร้อนเวลาออกจากสมาธิมาีบางทีเหงื่อแตกคลาดเลยก็มีไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องของร่างกายตอนที่เราภาวนานี้เราต้องสนใจอยู่กับเรื่องจิตเพียงอย่างเดียวอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเขา้าออกอะไรจะมาปรากฏให้เรารับรู้ก็ไม่ต้องไปสนใจปล่ยมันไปไม่ใช่นั้นมันจะเป็นนิวรณ์มันจะเป็นอุปสรรคต่อการทําใจของเราให้สงบได้ คุณอุสรีเดอร์เพอริสนะครับบอกว่าถ้ามีคนมาสร้างกรรมทางคําพูดและการกระทํากับเราแต่หนูไม่ได้ตอบโต้ใดๆ ไ, ได้แต่แผ่เมตตาให้ตลอดแต่เขายังไม่หยุดการกระทําเหล่านี้ทําตั้งแต่เด็กยันแก่เกิดชาติหน้าหนูจะเจอกับคนนี้อีกไหมคะก็ไม่รู้แหละนะแต่เรื่องเรื่องพบหน้าชาตานี้ไม่มีใครรู้ว่าจะได้เจอกันอีกไหม แต่ถ้าเจอกันก็ต้องทําแบบนี้ต่อไปถ้าเ้ายังมีเวรเวกรรมกับเราอยู่ก็ปล่อยเขาแสดงความต้องการของเขาไปจนวันใดวันหนึ่งเมื่อมันหมดกําลังมันก็จะหมดไปเองแต่ข้อสําคัญก็คือให้เรารักษาใจของเราให้นิ่งให้เฉยเฉอย่าไปก่อกรรมเวรใหม่ด้วยการตอบโต้ปล่อยให้เขาแสดงความโกรธของเขาหรือความไม่พอใจของเขา ด้วยกิยาวาจาอะไรต่างๆเขาแต่เราอยู่เฉยๆไปแผ่เมตตาให้กับเขาไปเราไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็จะหมดังเองอย่างแน่นอนคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับจากคุณสารหอบุญมากกราบน้ำสศ ก, การพระอาจารย์ครับขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ตอนนั่งสมาธิเกิดอาการมีเวทนาอย่างมากและทนอยู่ต่อแล้วอยู่ๆอาการเวทนาก็หายไปเป็นเพราะอะไรครับ เื่อเป็นธรรมชาติของเวทนาไม่เที่ยง ม, มีเกิดก็มีดับได้ในที่เราต้องการสุขเพื่อให้ให้ให้จิตเราปล่อยวางให้เวทนาเขาเกิดให้เขาดับของเขาเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องไม่ทาอะไรเขาเกิดขึ้นสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็ดับไปเวทนานี้มีสามชนิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขเวทนาทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกขเวทนามันก็สลับผัดเปลี่ยนมาแสดงปรากฏตัวให้เราได้รับรู้ ถ้าเราไม่ต้องการมีความทุกข์กับเวทนาเราก็ปล่อยให้เขาเกิดดับไปตามเรื่องของเขาแเราจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายไม่วุ่นวายไปกับเวทนาต่างๆได้หมดนะยังคุณหมอวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาครับไม่ไม่กล้ารัวกลัวประกาศจานมากว่านี้ครับผมวันนี้ขอภไยด้วยนะวันนี้เพอดูเบญเสดเลย<อ>ทำอะไรเชิญอยู่มีคนมาตามมาถาม มีครก็รออยู่ <S <S <S อ๋อทุกคนรอด้วยความด้วยความเต็มใจครับอาจารย์ครับผมอาจาร่คิดว่าคุณหอมอคงมี อ, อะไรพูดคุยไปเรื่อยๆก่อนก็เลยไม่ค่อยใจมัจนเท่าไรครับผมอา็ยินดี <ผม S 1> ที่ได้มาร่วมสนทนาแบ่งปันความรู้คุณหมอก็ให้ความรู้ทางร่างกายเราก็ให้ความรู้ทางจิตใจชีวิตจะสมบูรณ์ก็ต้องมีความรู้ทั้งสองด้านความรู้ทางด้านร่างกายเพื่อดูแลร่างกาย แล้วความรู้ทางจิตใจเพื่อดูแลจิตใจแล้วชีวิตจะมีั้งมีความสุขทั้งสองด้านสุขกายและสุขใจซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนากันทช้งนั้นมีอะไรอีกไหมมีคนฟังตัวเลขวันนี้นะคบพระอาจารย์ครับจาก f เฟซ o o ๊กเพจของพระอาจารย์466ท่านนะครับ YouTube พ mm hmm. ระสุชาติไลฟ์131ท่านขับเ o าส e 10ท่านนะครับแล้วก็ YouTube ของด็ V อร์576ท่านนะครับ วันนี้มีคนฟังธรรมร่วมกัน 1,183 คนพร้อมกันนะครับอาจารย์ครับก็ดีมีประโยชน์ที่สามารถที่จะแบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับท่านทั้งหลายได้ดังนั้นก็ขอเวลาเลยนะขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปท่า